บัด น, นี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสึกต่อไปกรรมฐานคือการงานที่บุคคลจะพึงกระทาในด้านจิตใจมุ่งเน้นไปที่การใช้คุณสมบัติของจิตซึ่งทาหน้าที่รับอารมณ์ตางประสาทสัมผัส เก็บสะสมเรื่องเหล่านั้นไว้ภายในจิตและนำเรื่องเหล่านั้นมาคิดตามสิ่งที่ตนเก็บไว้จนเกิดความรู้ความเข้าใจในระดับต่างๆเป็นประการสำคัญเมื่อกล่าวโดยแนวข้องการประพฤติปฏิบัติแล้วผู้เจ้าจะส่งจำแนกไว้โดยนัยยะต่างๆ เป็นนั้นมากแต่ให้มองไปที่ผลรวบยอดซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติว่าถ้าหากการปฏิบัติเช่นไรก็ตามเป็นไปเพื่อความสงบระงับแห่งนิวรณ์ตั้งหาประการได้การปฏิบัตินั้นได้ชื่อว่าสมถกรรมาฐานเพราะเมื่อกล่าวโดยรูปแบบในการประพฤติปฏิบัติ ก็จะนกแสดงออกไปโดยวิจิตพิสดารตามพื้นฐานของบุคคลที่สามารถสร้างความสงบได้ในลักษณะลางเนื้อชอบลางอยา่างเพราะกรรมฐานส่วนของสมะถะกรรมฐานจะมีอารมณ์ถึง40อารมณ์ด้วยกันแต่ในภาพปฏิบัติแล้วใครจะเลือกข้อใดก็ได้ เราโดยเมื้อหานั้นมุ่งไปที่ความสงบนิวรณเป็นประการสำคัญแต่ผลที่บุคคลจะพึงตรวจสอบได้ในชีวิตประจำวันว่าจิตใจของตนในรับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักของสมถกรรมฐานหรือไม่ก็อยู่ที่การวินิจฉัยอารมณ์หรือตสินอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการได้ยินดได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกได้ลิ้มด้วยลิ้นหรือได้ถูกต้องด้วยกายก็ตามมาดูที่ความยินดีและความยินร้ายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประสบกับอารมณ์เหล่านั้นถ้าจิตตกไปที่ความยินดีหรือความยินร้ายมากาแสดงว่าโดยพื้นฐานในด้านจิตใจของเราไม่มีความสงบมากพอ แล้เทียบช่วงระยะเวลาที่ความรู้สึกเหล่านั้นตกอยู่เป็นตะกรอนใจนหมายความมาหลังจากได้เห็นได้ยินเป็นต้นไปแล้วได้เกิดยินดียินร้ายขึ้นมาแล้วความยินดียินร้ายเหล่านั้นเป็นตะกรอนใจคือเก็บสะสมไว้ภายในใจได้นานหรือไม่นานถ้าว่าเก็บไว้ได้นานก็แสดงว่าพื้นฐานทางใจไม่เข้มแข็งมากพอ แต่ถ้าเก็บไว้ไม่ได้นานสามารถที่จะสลัดออกไปได้หรือบรรเทาลดละไม่นำมาเหนียวนึกมาตรึกนึกได้ก็ แ, แสดงว่าพื้นฐานทางใจนั้นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงถือว่าเป็นกลุ่อุปการคุณที่สำคัญสำหรับผู้ต้องการเจริญสมถกรรมฐานแต่แม้จะมีปันสนานกรรมฐาน สิ่งที่เราเรียกว่าอุปการะคือหมายความว่าเข้าสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความสงบจากนิวรณ์ทั้ง5ประการได้ง่ายนั้นเราทรงจําแนกแสดงไว้โดยนิยาต่างๆเช่นเดียวกันและจุดเน้นที่ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆมากก็คือการสํารวมระวังอินทรีย์ในชีวิตของบุคคลแต่ละคนนั้นจะต้องประสบพบเห็นสิ่งต่างๆในแต่ละวัน วันหนึ่งก็มีสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของเราเป็นนันมากแล้วก็มีความสลับซับซ้อนบางอย่างเป็นเรื่องบังเอิญที่ไปพบกันบางอย่างเป็นเรื่องที่เขามีความจงใจจะให้เกิดเป็นความรักความสังเกิดมาบางอย่างเราหาเรื่องเอาเองคือหมายความว่าสิ่งเดอร์นั้นก็เป็นอย่างที่มันเป็นแต่ใจก็เป็นเดี่ยวนึกไปตึกนึก ที่ท่านเรียกว่าไปกำหนดเอาการกำหนดนั้นจะกาหนดในสองลักษณะใหญ่ๆลักษณะหนึ่งกำหนดด้วยความรักกับความช่างดังกล่าวก็ให้เกิดเป็นของเรากับศัตรูเราคือเป็นทรัพย์สินของเราหรือเป็นพวกของเราหรือเป็นเพื่อนของเรากับเป็นสิ่งที่เป็นศัตรูเรา ในข้อนี้ท่านใช้คำบาลีง่ายๆว่าเป็นการกำหนดด้วยอำนาจของตัณหาซึ่งหมายความว่าท่าตัณหาไม่มีอยู่ภายในใจการกำหนดอารมณ์ในลักษณะนั้นก็จะไม่บังเกิดขึ้นเพราะจริงๆแล้วรูปต่างๆเป็นนันมากเสียงต่างๆเป็นนันมากนั้นเมื่อก่อนที่เราไม่เคยได้เห็นได้ยินเขาเขาก็ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรต่อใจเรา และแม้บางขณะเราได้เห็นได้ยินเขาแต่ถ้าเราไม่กําหนดเขาด้วยความกําหนักหรือด้วยความขัดเคืองว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะหรือรูปนั้นไม่สวยเสียงนั้นไม่ไพเราะเป็นตน้นความรู้สึกยินดียินร้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่กลายเป็นความยินดียินร้ายก็เพราะใจไปกําหนดด้วยอํานาจของตัณหาดังกล่าวใจคนก็แล่นเข้าสู่กระแสของตัณหา เช่นกำหนดด้วยอำนาจของความใคร่ความพอใจความยินดีรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสหน่าจะต้องเมื่อไม่ได้มันก็อยากได้ไม่อยากได้ก็ต้องดินน้นรนขวนขวายสแสวงหาเพื่อได้มาไว้ภายในครอบครองบางครั้งต้องมีการต่อสู้ต้องมีการกระทำทุจริตเพื่อได้สิ่งตอนนั้นมา ก็ได้มาแล้วถ้าตัณหายังไม่จางไปคลายไปก็จะมีการหวงการจิตจิตความมีตกกังวลหวงใหญ่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นแม้แต่จะพรากจากหรือจะวางสิ่งเหลนั้นไว้ในที่ใดที่หนึ่งก็ไปหวงมิตกกังวลพอสิ่งเหล่านั้นจากไปเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจใจพวกก็แววงไปแกวกมาอย่างนี้ทีนี้ในวัตถุเหล่านั้น ทดลองสังเกตมองย้อนกลับก็ไปสู่อดีตว่าในอดีตแต่การนั้นเราไม่เคยพบและแม้แต่การพบครั้งแรกเราก็ไม่รู้จักว่าสิ่งเนั้นเป็นอะไรต่อเมื่อได้ทราบคุณค่าความดีงามของสิ่งเดล่านั้นความอยากก็บังเกิดขึ้นตำนองคล้ายๆกับสินค้าตัวใหม่ที่มีการเสนอมีการโฆษณากันทางสื่อต่างๆ เรามองย้อนไปก่อนที่จะเราพบเห็นหรือได้ยินการโฆษณาสินค้าเหล่านั้นสินค้าเหล่านั้นก็เป็นสินค้าเหล่านั้นไม่ได้มีอิทธิพลอะไรต่อใจเราเราไม่เกิดความรักหรือความชังแต่ประการใดแต่พอได้ยินเสียงโฆษณาในตอนแรกปรอกาศจะไม่สนใจอะไรเลยทาไปแต่พอได้ยินโฆษณาบ่อยๆสร้างความสนใจสร้างความพอใจ กศึกษาติดตามพยายามหาจุดดีจุดเด่นของสิ่งเหล่านั้นซึ่งถ้าควาสติปัญญาของเราน้อยบางทีจุดดีจุดเด่นนั้นเป็นการบอกกล่าวของเศรแมนของการโฆษณาเองเราไม่ได้วิสูน์ทดสอบได้ทั้งไปแต่ใจก็เกิดกำหนัดกำหนดด้วยอานาจความกำหนัดอยากได้พอใจไปแล้วเพราะนั้นทำให้การโฆษณาสินค้าบางอย่าง ซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยได้ยินเลยแต่พอได้ยินไปแล้วปรากฏว่าเรายอมรับเงื่อนไขที่เขาโฆษณายอมรับเงื่อนไขเหล่านั้นแล้วก็เกิดความพอใจเกิดความพอใจก็เกิดอยากได้เกิดอยากได้ก็ดิ้นรนสแสวงหาจนมีการสั่งสินค้าเหล่านั้นทางโทรศัพท์แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานทางสติปัญญาของเราไม่มีมากพอที่จะวินิจฉัยอาศัยการวินิจฉัยให้ของบุคคลอื่นซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นกลุ่มผลประโยชน์ ที่ต้องการได้เงินได้ทองจากเราสิ่งเหล่านั้นก็เกิดมีอิทธิพลต่อใจเราแต่ถ้ามองอีกทีหนึ่งว่าสิ่งเหล่านั้นเองถ้าเรากําหนดเชื้ใหม่ว่าเป็นสิ่งที่อาจจะดีสำหรับคนอื่นแต่สมหรับเราไม่มีความจําเป็นอะไรเราก็ไม่ให้ความสําคัญไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นก็คงเป็นสิ่งเหล่านั้น เราก็คงเป็นเราใจเราก็ไม่ถูกปรุงด้วยอำนาจของตัรหาอย่างน้อยก็ในวัตถุสิ่งนั้นเรือจะ ก, กําหนดสมัยกําหนดรู้ด้วยความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงมีการจําแนกแยกแยะถึงคุณค่าประโยชน์ที่ตนจะได้หรือความคุ้มค่าจากการได้มาครอบครองซึ่งสิ่งเหล่านั้นแต่ใ น, นความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนเพียงใด มีปัญญาการกรองทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นมันก็สามารถตัดกระแสของความอยากได้แม้ความอยากจะถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นโดยการโฆษณาชักชวนของผู้โฆษณาก็ตามแต่พอปริมาณของปัญญาเรามีมากพอเราก็ตัดกระแสของความอยากลงไปได้คนอื่นอาจจะอยากแต่เราก็ไม่อยากในอารมณ์นั้น ปัญหาสำคัญที่เกิดกําหนดด้วยอํานาจของตันหานั้นมักจะเกิดจากการมองแนวเดียวคือแนวตามเงื่อนไขที่มีการนําเสนอในขณะนั้นๆอย่าที่บอกไว้แล้วว่าบางครั้งก็เป็นเรื่องของการบังเอิญที่จําเป็นจะต้องพบเห็นกันถ้าเกิดไปกําหนดด้วยอํานาจความกําหนัดแสดงว่าเราหาเรื่องเอาเองคือไปกําหนดตัวเองเขาก็อยู่อย่างที่เขาอยู่ แต่บางครั้งบางคราวจะมีการชักชวนเชิญชวนซึ่งก็อาจจะบวกกันหรือไม่บวกกันก็ได้ในกรณีที่ไม่บวกกันหมายความว่าเรายอมรับเงื่อนไขที่เขาเสนอทั้งหมดแล้วกำหนดไปด้วยความกําหนักก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาตามเงื่อนไขที่เขาเสนอหรือไม่อย่างนั้นเราเองก็ยอมรับคล้อยตามเราก็ศึกษาติดตามค้นคว้าถึงี่สูจทดสอบถึงคุณสมบัติเหล่านั้นและในสุดก็เกิดความอยากได้ขึ้นมา ด้านการปฏิบัติในชีวิตประจําวันพระเจ้าจึงทรงเน้นในเรื่องของอินทสียสังวรไว้ในที่ต่างๆเป็นนั้นมากจนถึงก็แสดงเห็นว่าวิธีชีวิตของบุคคลเราที่จะเดินไปประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จนั้นก็อยู่ที่ประสิทธิภาพของการสํารวมระวังอินทสีย์เวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นดิมรส ถ, ถูกต้องยินดีอนอนแขงว่า มีสติสัมปชัญญะเข้ากำกับได้มากน้อยแค่ไหนเปลี่ยนไ่สามารถตัดกระแสของอารมณ์เหล่า น, นั้นได้ไหมในกรณีที่พบกันโดยบังเอิญในกรณีที่มีการเชิญชวนชักชวนจะไม่ไปยอมรับเงื่อนไขเหล่านั้นหรือไม่ตรึกนึกไปด้วยอำนาจของตันหา เพราะกระบวนการทางจิตที่เราเกิดเป็นความรักความชังขึ้นมาจนถึงกระสันอยากในอารมณ์ท่งางยนั้นที่จริงมันก็ผ่านกระบวนการทางจิตทัทง้ง4ขั้นตอนดัทงที่กล่าวไป้แ้ประการแรกก็คือผ่านมาทางประสาทสัมผัสก่อนอื่นต้องไม่ผ่านมาทางนั้นมันก็จะไม่เกิดเป็นความรักความชังขึ้นมาดังนั้นลองสังเกตว่าสิ่งที่เราเกิดรักเกิดชังนั้นจะต้องผ่านมาทางประสาทสัมผัส ข, ของเราก่อน จะโดยได้เห็นหรือได้ยินก็ตามเพื่อจะให้เกิดการสำรวมระหว่างอินทรีย์แล้วก็ไม่มั่นใจว่าคนสามารถสำรวจระหว่างอินทรีย์ได้รูปแบบในการประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาจึงนำบุคคลให้หลีกเล้นออกไปจากสถานที่ที่มีลักษณะยุ่ยยุและยุจยวน รูปแบบวิถีชีวิตแบบพระที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ในพระพุทธองค์เองก็นำาิธปฏิบัตินั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการปลีกตนออกไปจากสภาพแวดล้อมซึ่งมีลักษณะกระตุ้นเชิญชวนชักชวนให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ยินดีก็ไปอยู่ในป่าตามถ้ำตามเขาภาพเหล่านั้นเป็นภาพธรรมชาติธรรมดาไม่มีลักษณะกระตุ้นไม่มีลักษณะเร่งเรา้าไม่มีลักษณะเชิญชวนชักชวน เพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติปัญหาที่จะต้องแก้ก็คือแก้ด้วยจิตที่กําหนดด้วยอํานาจความกำหนัดแต่ความกําหนัดที่จริงจะไม่อยู่ตรงนั้นแต่จะปเป็นเหนียวนึกออกนอกป่าแล้วก็รู้สึกตําหนิตัวเองไม่พอใจตัวเองที่ต้องหลีกเลี่ยมาอยู่ในป่าในสุดก็ออกจากป่าไปก็ตกเข้าสู่อํานาจของบวกมาน แต่แก่อารมณ์ทั้ง5ประการหลักๆแต่ตามปกติแล้วเราก็ไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้ทุกๆคนมันก็เลือกทำได้เฉพาะบางคนเท่านั้นเองดังนั้นในกรณีที่ต้องประสบ พ, พบเห็นสิ่งต่างๆที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสก็มีวิธีหนึ่งคือหลบหลีกไม่ไปเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แต่เราหลบหลีกไม่ไปเกี่ยวข้อง แต่บางโอกาสก็ทำได้บางโอกาสก็ทำไม่ได้แต่เมื่อจําเป็นจะต้องทำก็ต้องศึกษาดูกระบวนการของการรับรู้อารมณ์ว่าที่จริงแล้วไม่ใช่มันเกิดขึ้นในง่ายๆเหมือนกันเพราะตัวการใหญ่นันอยู่ที่ความสนใจหรือไม่สนใจา็นี้เราสังเกตว่าคนที่อยู่คุ้นเคยอยู่ริมถนนเกิดเติบโตอยู่ริมถนนถึงเวลานอนก็นอนหลับได้สบายเสียงรถ ราต่างๆเสียงคนเสียงอะไรที่ดังอยู่ริมหน้าต่างนั้นจะไม่มีอิทธิพลที่ทําให้เขานอนไม่หลับไปได้เขาก็คุ้นเคยกับเขาอย่างนั้นแต่เราเกิดเปลี่ยนคนว่าเอาคนซึ่งอยู่ในป่าเงียบๆแล้วให้มานอนอยู่ริมถนนอย่างนั้นเขาก็จะนอนไม่หลับเพราะว่าใจเขาไม่ได้คุ้นเคยกับรมแบบนั้นแต่ทีนี้ถ้าจะกลับกันอาคนที่คุ้นเคยกับเสียงจกแจกจอแ จ, จ, จที่ดังลั่นไปหมด ไปอยู่ในที่เงียบๆเขาก็อาจจะนอนไม่หลับเช่นเดียวกันตัวการใหญ่อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ความเคยชินจนไม่สนใจไม่สนใจเสียงเสียงเสียงเหล่านั้นมันก็แเป็นศักด์แต่ว่าเสียงสำหรับบุคคลเหล่านั้นคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าดังแต่เขาเองเขาก็อยู่จนชินแล้วก็ไม่สนใจไปแล้วเสียงเหล่านั้นก็ไม่ดังคือมันมีเสียงแต่ว่าไม่ดังสำหรับบุคคลผู้นั้นไม่รบกวนให้บุคคลผู้นั้นนอนไม่หลับ และในแนวหนึ่งก็คือไม่ใส่ใจไม่สนใจซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นคุณสมบัติที่เรามีอยู่พอสมควรในแต่ละคนเพราะ ต, ตามปกติแล้วเราก็เจอสาภาพแวดล้อมซ้ำๆซากๆจนเลิกสนใจไปก็มีอยู่เป็นอันมากเราก็ดึงเอาคุณสมบัติเหล่านี้แหละซึ่งเราก็มีอยู่พอสมควรเข้าไปใช้ในกรณีประสบกับอารมณ์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการพบกันโดยบังเอิญหรือว่าเป็นการยั่วยนจากยั่วยวยวุจากข้างนอกหรือใจไปกําหนดตัวเองก็ตามมันก็เลิกสนใจทั้งสามช่วงสิ่งเหล่านั้นก็จะอยู่อย่างที่บรรจุใจเราก็จะส ง, งบอยู่ไม่ไฝ่คว้าไม่ปรารถนาอารมณ์เหล่านั้นไม่รู้สึกด้วยอํานาจของความรักความจัง แต่พึงเข้าใจว่าการสำรวมระวังอินทรีย์นั้นไม่ใช่สำรวมทั้งหมดเพราะใดเพราะว่าสิ่งดีงามทั้งหลายนั้นมันก็ผ่านมาต่างตาหูจมูกดินก า, ายใจของบุคคลเหมือนกันท่านจึงสอนให้ดูในสิ่งที่ควรดูฟังในสิ่งที่ควรฟั ง, ฟ ง, ฟงสุดดมในสิ่งที่ควรสุดดมลิสสมล้มในสิ่งที่ควรลิม้มจับ้องในสิ่งที่ควรจับต้องตรึกนึกในสิ่งที่ควรตรึกนึก แต่จะถามว่ามองที่ตรงไหนโดยปกติแล้วก็จะมองโดยพื้นฐานทั่วไปว่าสิ่งใดที่ได้เห็นไปแล้วจิตไปกำหนดแล้วก็เกิดกิเลสขึ้นหรือกำหนดด้วยความกำหนัดก็เรียกว่ากำหนดด้วยตัณหากำหนดด้วยความขัดเคืองก็กำหนดด้วยโทสะกำหนดด้วยความรุ่มหลงก็กำหนดด้วยโมหะกาหนดด้วยความบวบเมาก็กำหนดด้วยความประมาท หรอถ้าใจไปกำหนดด้วยอำนาจของกิเลสทั้งห้าประการนี้ทั้งสประการนี้ก็ชื่อว่าเป็นเรื่องที่ควรสมรวมระวังเอาไว้แต่ว่าตัวอารมณ์นั่นเองถ้าปริมาณปัญญาเรามีมากพอมีสติสมัญ ญ, ญากร้าแข็งมากพอแม้ตัววัตถุที่เราเคยกำหนัดเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบเพื่อผ่อนคลายความกัมหนัดออกไปได้บุคคลที่เราเคยขัดเคือง ว่ใช้ปัญญาเหตุผลพินิพิจารณาซื่อใหม่มีความรอบคอบมีความรัดกุูมากยิ่งขึ้นมันก็คลายความกัดเคืองลงไปได้สิ่งที่เคยไม่รู้ไม่เข้าใจมีความหลงในเรื่องเหล่านั้นปัญญาก็เข้าไปตรวจสอบพินิพิจารณาเสื่อใหม่มันก็คลายความรูปหลงลงไปได้ลักษณะที่ประมาทพงมลคือขาดสติให้ลองสังเกตว่าที่ลุ่มหลงก็เพราะขาดปัญญาที่ประมาทก็เพราะขาดสติ เพาเมื่อสติเ็ามีกำลังเกิดขึ้นมารลึลกรู้พิจารณาทบทวนดูแล้วก็บรรเทาความเผอเร่อความลงลืมความพลั้งพลาดลงไปได้เรื่องเหล่านี้ต้งก็สอนให้สนใจทีนี้พอถึงจุดหนึ่งายความปริมาณของสติสัมปชัญญะของบุคคลมีมากพอแล้วเขาไม่สนใจที่อารมณ์ข้างนอก อารมณ์เขานอกจะเป็นยังไงก็ได้แต่ว่าคนประเภทนี้เขาจะใช้ประโยชน์จากอารมณ์ล่านั้นได้ทั้งหมดค้นี้พิ่งดูตัวอย่างพระรยส า, าวกทั้งหลายเป็นอัดมากที่บางครั้งท่านบรรลุมรคผลด้วยอารมณ์ซึ่งชาวโลกมีความกังหนักเพลิดเพลินยินดีอยู่แต่ปัญญาของท่านท่านใช้คำบาลีว่าชันแรก หมายความมาแยกแยะสิ่งเหล่านั้นโดยเนื้อหาถึงแก่นแท้ที่จริงๆของสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกตรงตามความเป็นจริ ง, งถ้ากระ่ายถอนผ่อนคลายความกำหนัดความเพลิดเพลินความยินดีในอารมณ์เหล่านั้นลงไปได้ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนเราก็คุ้นคุ้นเคยกันสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายเช่นตัวอย่างของประยาศาสตร์ท อยู่ท่ามกลางปราศาสตร์มีความสวยรู้วิจิตงดงามมีคนบำรงบำเรอด้วยประการต่างๆเวลจิตท่านมีสติสัมปชัญญะไม่มากพอท่านก็กำหนัดเพลิดเพลิน อ, อ, อยู่ในสิ่งเดียนั้นสนุกสนานอยู่ท่ามกลางการห้อมล้อมอย่างนั้นแต่เมื่อกำลังสติสัมปชัญญะท่านมากพอท่านก็มองสิ่งนั้นเองสิ่งที่เคยกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่นั่นแหละ แต่ก็พรากจิตของตัวเองดึงจิตของตัวเองจากกระรอนดอ น, นได้มองก็ถึงความจริงที่แท้จริงที่จริงมันจะปรากฏในอนาคตตากันนั่นก็คือมองคนที่เป็นเป็นกลายเป็นซากศพในขณะนั้นที่จริงยังไม่เป็นศพแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือทุกคนจะต้องกลายเป็นซากศพเป็นการมองจากปัจจุบันแต่ว่าไปสู่อนาคตตางซึ่ง ศพเรานั้นก็จะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวคนเราดันจะเป็นอย่างนั้นแนวการมองเหล่านี้ก็คือแนวที่ทรงสอนในรูปของปิญหาปัจจเวกขณะนั่นเองเช่นเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความตายไปได้ในขณะที่เราพิจารณาที่จริงเรายังไม่ตายเต่๋ยวความตายนั้นจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นเมื่อไรไม่มีใครจะรู้ได้แต่ที่แน่นอนที่สุดชีวิตนั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้นแน่นอนแต่ความตายเป็นเรื่องที่แน่นอน เราก็ไม่คิดที่จะไปวิตกกังวลว่าจะตายเมื่อไรจะตายที่ไหนจะตายอย่างไรจะตายโดยวิธีใดมันก็ตายเหมือนกันประเด็นสำคัญจึงไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่อยู่ตรงที่ว่าในขณะปัจจุบันที่ชีวิตเรียแรงความเพียรพยายามสติสัมปชัญญะเราจะมีอยู่นั้นเราจะใช้ชีวิตไปในลนดดักษณะใดจึงจะเป็นคนที่เรียกว่าตายดีมีชื่อเสียงเกียรติภูมิปรากฏอยู่ประดับโลก ให้ความภาคภูมิใจให้ความดีอกดีใจที่ได้เกี่ยวข้องกับเราสาหรับบุคคลที่เป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงแล้วคนเหล่านั้นก็จะได้ควา ม, วามภาคภูมิใจหรือปีติประโมทยพยายามที่จะศึกษาตามปร ะ, ประพฤติปฏิบัติตามปฏิปทาเหล่านั้นเมื่อรษณะของอารมณ์เหล่านี้จึง ในชั้นของอินทรียสังวรนั่นเองผลสังเกตว่าเราสามารถทําได้หลายระดับด้วยกันแต่ระดับที่พัฒนาปัญญาพัฒนาสติขึ้นไปได้มากๆแล้วมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับข้างนอกเพราะเวลาสัมผัสก็จะเกิดความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงขึ้นมาทันทีทันใดแล้วก็ตัดกระแสของอารมณ์ตัดกระแสของกิเลสได้เมื่อมาถึงช่วงที่เราจําก็จําไว้อีกลักษณะหนึ่ง ตามปกติมันเป็นธรรมชาติของจิตที่ย่องจําอารมณ์อยู่แล้วแต่ถ้าเราเลือกจําในสิ่งที่ควรจำความจําก็จะเป็นเรื่องที่ดีๆคือเก็บสะสมเรื่องดีๆทานองกับบ้านเราที่เลือกเอาเก็บเฉพาะสิ่งดีๆเอาไว้บ้านก็ดูแล้วสวยงามน่าอยู่น่าอาศัยสิ่งทั้งหลายก็วางไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีแต่ถ้าจิตใจมีการเก็บการสะสมอะไรวุ่นวายไปหมดเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้าง ในสุดความสงบก็ไม่เกิดขึ้นทานองกับบ้านสกร ป, กปกรกรกรุงรังนั่นเองบางครั้งก็ส่งสอนให้เทียบดูเรือนกายกับเรือนใจเพราะเรือนใจระดูยากแต่เรือนกายระดูง่ายร้อยมองที่เรือนกายที่เราอยู่อาศัยพ่าถ้าสะอาดสะอ้านเรียบร้อยของสิ่งของต่างๆวางไว้เป็นที่เป็นทางเอาเฉพาะของที่มีคุณประโยชน์สิ่งที่สกรปรกก็กวาดทิ้งไปหมดบ้านก็น่าอยู่น่าอาศัยใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน เราจะเห็นได้ว่าภายในใจนั้นมีการเก็บสิ่งต่างๆไว้เป็นอันมากซึ่งไม่น่าเก็บและไม่รู้จะเก็บไว้ทาอะไรทํานองคล้ายๆกับขยะต่างๆที่เราเก็บไว้ภายในบ้านเน่ยเมื่อถามแล้วเก็บไว้ทาอะไรก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทาอะไรแต่ก็สะสเก็บไว้อารมณ์ของคนเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมีลักษณะของขยะอารมณ์ถึงหมาความถ้าเก็บถ้าไม่เก็บเอาไว้มันก็สบายดี แต่พอดีใจไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมชิ้งอารมณ์เหล่านั้นก็เก็บไว้ก็หมกมุ่นวิตกกังวลเสียเสียใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องราวในอดีตที่ไม่ดีที่ไม่ดีนั้นให้ลองสังเกตว่าไม่มีคําสอนในลักษณะที่ให้เราเก็บอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้แต่จะสอนให้เก็บอารมณ์ที่ดีๆเอาไว้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะถ้าเราเก็บไวด้ดีเวลาคิดมันจะคิดได้ดี แต่เมื่อเก็บสิ่งไม่ดีเอาไว้ความคิดมันก็ไม่ดีตามไปเพราะเราคิดจากสิ่งที่เราเก็บเอาไว้หรือสิ่งที่เราจำทรงเอาไว้เราจะคิดนอกแก่สิ่งที่เราจำทรงไม่ได้ดังนั้นถ้าหากว่ามีการเลือกเฟ้นอารมณ์ในช่วงของการรับหรือเลือกเฟ้นในการจําไอ้สิ่งที่ห้ามผ่านมาทางภาษาสัสมผัสนั้นคงยากเพราะมันต้องผ่านอยู่ดีเราไม่สามารถจะเดินหลับตาได้หรือไม่สามารถจะอุดหูไว้ได้ เราคงต้องได้ยินได้ฟังสิ่งทั้งหลายอยู่ธรรมดาทั้งด้านดีและด้านไม่ดีปัญหาสําคัญว่าทําอย่างไรว่าอย่าไปจําไว้อย่าไปเก็บเอาไว้สิ่งเหล่านั้นได้ยินในที่ใดที่หนึ่งมันก็ทิ้งไว้อย่างนั้นซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เราใช้ยอยู่ได้ในชีวิตประจําวันของเราเช่นสมมุติว่าเรายืนอยู่ที่หนึ่งใครโยนของสักปลักให้เราเราก็ไม่รับหรือว่ารับแล้วเราก็ทิ้งตรงนั้นเองไม่ได้เอาไปบ้านด้วยอารมณ์มันก็เป็นเช่นนั้น อารมณ์ บ, บางอย่างเป็นอารมณ์สุกปรกเช่นคำหยาบคายไ ร, ร, ร้กาศการด่าว่าการกระแนะกระแหนการแสดงความริษยาหรือการแสดงเป็นเวรเป็นภัยของบุคคลอื่นซึ่งเกิดขึ้นในที่หนึ่งมันเป็นขยะอารมณ์ที่จึงมาเป็นขยะอารมณ์ของเขาเขาก็แสดงอารมณ์อะไรรุนแรงออกมาและเราอุตส่าห์ไปรับขยะอารมณ์ดนั้นรับแล้วไม่ได้ทิ้งไว้เลยก็อุตส่าห์แบก กลับมาถึงบ้านเจะบอกคนทําให้โกรธในที่ใดที่หนึ่งบางทีไปโกรธคนอยู่ต่างประเทศอุตส่าห์เอาขึ้นเครื่องบินมาด้วยแต่มานั่งวิตกกัวงวนมาคิดจะแก้แค้นข้ามทวีปกันไปไลยเป็นการสูญเสียเวลาเป็นการทําลายสุขภาพจิตของตนให้เสื่อมไปโดยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่นั้นการรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่บังเกิดขึ้นมันเป็นคุณสมบัติของเราที่มีอยู่แล้วในะทุกๆคนเพียงแต่ว่า บางอย่างเกิดใช้ได้บางอย่างเกิดใช้ไม่ได้จากตัวอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นเห็นได้ชัดว่าถ้าเป็นรู ป, ปรวัตถุเราวินิจฉัยได้ตัดสินได้ในขณะนั้นๆเช่นเพื่อนโยนเศษขยะให้เราเราไม่รับหรือรับล้วก็ทิ้งเพราะฉะนั้นเศษเศษขยะอารมณ์ก็มีรับเช่นนั้นลักษณะเดียวกันคือทำยังไงว่าถ้าเขาโยนมาเราไม่รับหรือถ้าเกิดเพ้อรับไปแล้วก็ทิ้งเสียทันทีทันใด ขยะเหล่านั้นก็ไม่ทําให้เราแปดเปื้อนแต่ที่มันเป็นปัญหาในด้านสุขภาพจิตอยู่มากคือสังเกตว่าเป็นการอุ้มอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ไม่รู้ว่าอุ้มไปทําอะไรบางคนก็ไม่รู้อะไรสามารถที่จะอธิบายได้บกกลุ่มหรือเกิดนอนไม่หลับกลุ่มหรืเกิดทําะไรกลุ่มเรื่องอะไรก็อธิบายได้ละเอียดหยดย้อยเลยแล้วก็ถามว่าแล้วก็อุ้มไว้ทําอะไรเพราะถ้าเราไม่อุ้มเราก็ไม่กลุ่มที่มันกลุ่มมันเกิดอุ้มเอาไว้ แล้วเราก็มีสิทธิ์วางเพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้อุ้มอารมณ์นั้นไม่มีเลยทําไปแต่เราก็อุตส่าห์ไปรับเข้ามารับแล้วก็อุ้มไว้อุ้มไว้ก็ออกมากรุ่มกรุ่มก็ไว้ตัวกังวลไว้ตัวกังวลก็นอนไม่หลับสุขภาพกายสุขภาพจิตก็เสื่อมทร่มเป็นการประทุษร้ายต่อตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประทุษร้ายต่อจิตสุขภาพจิตของตัวเองในข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้ว่าโจรกับโจรมาเจอกัน หรือคนเป็นศัตรูกันมาเจอกันมันสามารถทําอันตรายอะไรได้แต่ว่าทําไม่ได้มากหรอกอย่างดีก็แค่ตายแต่นั้นเองคือทําเกินกว่านั้นไม่ได้สัตูกับศัตรูมาเจอกันอย่างมากทําได้มากที่สุดแค่ตายแต่นั้นเองทําให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่านั้นไม่ได้แต่ว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดมีการคิดผิดมีการเก็บผิดมีการนํามาคิดผิดะมีการรู้ผิดนั่นมันจะสร้างปัญหาเก่สุขภาพจิตของบุคคล ไม่จะสร้างาเฉพาะในชาตินี้ในเดียวนี้เท่านั้นเองแต่จะสร้างปัญหาข้ามภพข้ามชาติไปด้วยเพระาะลักษณะของอารมณ์ต่างๆที่เราจะต้องผ่านนั้นแน่นอนแต่ว่าทําอย่างไรอย่าไปกําหนดด้วยอำนาจตัณหาเสียบ้างหรือเกิดกําหนดขึ้นไปแล้วหรือแปรไปกําหนดไปแล้วทํายังไงจะไม่เก็บไปบังมีการลดละผ่อนคลายปันเทาอารมณ์เหล่านั้นลงไปเรื่องอดีตทั้งหลายก็ให้กลายเป็นเรื่องอดีตไป มาเกิดขึ้นแล้วในอดีตที่จริงมันดับแล้วในอดีตตอนนี้ไฟก็ขอให้ตั้งใจับความสงบสุข